วันนี้ก็คงต่อในลักษณะสูตรนะใช้ยาวแล้วเกินเรื่องนี้รูการพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกราวกัน ถึงสิ่งนั้นเป็นสิ่งจริงแต่ถ้าเราพูดแล้วเขาแตกกันเราก็ไม่พูดการ์ดว่นไม่เอาคำไม่คาบข่าวฝั่งนี้ไปบอกข่าวฝั่งโน้นเพื่อให้คนหมู่โน้นแตกราวกันสมานคนที่แตกราวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพียงกันพเพลิดเพลินในคนผู้รู้พร้อมเพียงกัน กล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้คนพร้อมเพียงกันไม่ยินดีในการแตกแยกนันปัจจัยที่เป็นเหตุให้การแตกแยกก็คือการเอาข่าวฝั่งนี้ไปบอกฝั่งโน้นทั้งๆที่ทว่าพูดแล้วไม่ได้ก่อประโยชน์สร้างสรรอะไรแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ก็กล่าวนันคำพูดเหล่านั้นเนี่ยเป็นคำพูดที่มีโทษาบางคนก็บอกว่าจริงนะเขาว่าคุณมาอย่างนี้เขาว่ามาจริงๆนะแต่ว่า เราพูดแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกระที่กล่าวว่าความจริงบางอย่างถ้าไม่ถูกกาละไม่ถูกโอกาสไม่เหมาะสมกับสมัยการกล่าววาจาอนั้นๆไม่เกิดประโยชน์จริงเขาด่าเราจริงแต่ว่าไอ้คนที่เอามาบอกเนี่ยทําไมต้องบอกเราด้วยใช่ไหมสมมุติถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งอ่ะนะเขาด่าเราอยู่ใกล้มากเลยเราไม่รู้สักหน่อยเลยนะโสตวิญญาณเราไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงชนิดนั้นเลยอีกคนหนึ่งมาบอกว่าคุณเนี่ยนะ กำลังถูกเขาว่านะคนนั้นเขาว่าคุณอย่างนั้นทีนี้เราก็ถามว่าคนที่พูดมีความประสง์นะถ้าลักษณะสอสียดประสงสองอย่างประสงค์ว่าเราจะได้เป็นที่รักของคนผู้ผู้ถูกบอกค่ะกับว่าเราจะได้เป็นที่รักที่พอใจเมื่อเราเล่าให้ฟังอย่างนี้นะเขาจะพอใจเรามากอันนี้ก็ลักษณะของสอสียดอย่างหนึ่งสอสียดอย่างที่สองก็คือประสงค์ให้คนสองฝ่ายเนี่ยราวกัน จริงบางทีคล้ายๆกับแก้วมันแค่ปรีๆใช่ไหมเอาอะไรไปงัดงังัดงัดจริงอ่ะเรื่องมันยังไม่ทันแตกมันราวหน่อยหน่อยมันประสานกันได้แต่คนที่ขคาบข่าวไปเนี่ยไปงัดไปเรื่อยนะพูดเนี่ยใสอารมณ์หน้าดูเลยนะบางทีมันไม่เด็ดถึงขนาดนั้นเนอกในเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นแต่คนที่เล่าเนี่ยโอ้เป็นจริงเป็นยังไปหมดเลยเขาโกรธเราหน่อยเดียวนะเราไปเสริมเติมแต่งใส่สีสันมจนเพราะฉะนั้นผู้กส่อเสียดเนี่ยมีโทษมากมายมหาศาล ซึ่งในเรื่องของโทษสอเสียดซึ่งจะได้กล่าวในเรื่องของกรรมบทแต่ว่ามาดูอ น, นิสงค์ของการกล่าวทําให้การพร้อมเพียงกันตถาคตเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำรรสั่งสมพ่อพภูณภัยบุญครั้นจุติจากสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาบุริษลักษณะสองประการคืออันนี้สนใจ ไ, ไหมถ้าไม่สอเสียดนี้จะได้เป็นยังไง ทองมีพระทนสี่สิบี่มีฟันอยู่สี่สิบี่มีพระทนคือฟันไม่ห่างกันคือฟันไม่น่าเกลียดเหมือนกันแท็เป็นคนที่ฟันฟันสวยอย่ะ น, น, นี่คืออณิสงค์ของการไม่ส่อเสียดแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ฟันไม่ค่อยดีนักอ่ะนะ แ, แสดงว่าทาเหตุมาไม่ดีประเภทส่อเสียดไว้ค่อนข้างมากหน่อย พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพละศักย์สองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิของเรานี่มีแค่สามสิบสองซีนี่จะไปเอาออกกันแล้วมันเกินนะพระองค์นี่มีสี่สิบซีแต่ไม่มีปัญหาเลยนะในเรื่องฟันของพระองค์ถ้าทนเนี่ยโอ้พระองค์บอกปวดฟันแล้วเกินวนันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีสุขภาพดีที่สุดเลยฟันเนี่ยดีเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลพิเศษคือบริษัทไม่แตกกัน ผู้ที่มีลูกน้องมีบริวารบริหารและก็บริษัทไม่แตกแยกกันนะนะพวกลูกน้องเป็นต้นพวกคนในบ้านไม่แตกแยกกันนี่เป็นอธิสง์พิเศษที่มาจากผู้ที่รักษาคําพูดโดยที่ไม่พูดให้คนแตกแยกกันเพราะฉะนั้นบริษัทของพระราชานะไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ครหาบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาร์มหามาตยกองทหาร ประตูมหามาต์ผู้เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุ ม, มารไม่มีการแตกแยกกันจปลว่าไม่มีผู้ใดคิดประท้วงง่ายๆไม่มีใครประท้วงหรือว่าใครไปเสียมเขาให้ชนกันในในหน่วยงานนั้นๆไม่มีแต่ถ้าเป็นหัวหน้างานนั้นๆบริวารไม่แตกกันแต่ถ้าหากว่าบริวารแตกกันบ่อยเนี่ยแสดงว่าเหตุประเภทนี้จเจริญไว้แล้ละยุติธรรมแล้ว ประเภทนี้จนว่าบางคนเนี่ยลูกไ ม, ไม่ไม่ทะเลาะกันเลยนะทะเลาะกันน้อยมากบางคนเนี่ยแทบไม่กระทบกระทั่งกันเลยแต่ว่าของลูกของแม่บางคนเนี่ยโอ้ย เ, เหมือนกับถือปืนคนละอันนะั่นแหละมันจะควักสวนกันอยู่เรื่อยเลยอนะ่ะอันนี้ก็มาจากเหตุที่ที่ไม่ค่อยดีนะักนะถ้าหากว่าท่านออกพนวดจะได้เป็นพระอรหันตตระสัมาสัมพุทธเจ้ามีลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก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 ตอนหลังจะเอาอพุทธาประธานพูดถึงบุพกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีว่าไอเหตุที่ที่ไม่ดีพระองค์ก็ทํำมาเยอะนะสมัยเป็นพระพโทธิสัตว์เนี่ยทันขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะมันยังตามให้ผลอีกทําไมสเก็ตเห็นจึงโดนพระบาททาไมพระองค์จึงปฏิบัติธรรมหลายปีกว่าจะได้บรรลุทําไมพระองค์จึงปวดพระเศียนมากทําไมพระองค์จึงถ่ายบางคนเป็นเลือดอะไรเงี้ยพระองค์เนี่ยบอกไว้เหตุหมดพระองค์มีเหตุทําไม้หมด หรือว่าพระองค์ทําไมอั น, นิสงส์ข้อนี้เช่นโหคนสการะนับถือมากมายมหาศาลพ่อกรรมอะไรเนี่ยพระองค์เล่าไว้หมดเลยอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่าพระองค์เนี่ยสเสด็จไปที่เมืองไพ่สาลีฝนโบกครพัดต์ก็ตกลงมาพระเจ้าพิมพิสารก็โหรับสรงรับสเสด็จเนี่ยอย่างดีเลยพวกนาคพวกเทวดาทั้งหลายก็บูชาพระองค์มากมายมหาศาลกษัตริย์ลฤาวีก็ต้อนรับพระองค์เป็นอย่างดีเลยพระองค์เล่าว่า กรรมเล็กน้อยที่พระองค์เคยทำกับพระธาตุพระประเจกับพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่านั่นเป็นผลของกรรมเล็กน้อยที่เราเคยทำไว้พระองค์ก็บอกว่านั่นเป็นผลของกรรมนะไม่ใช่มาด้วยผู้ฐานุภาพดังนั้นพระองค์นั้นทำทั้งผลดีและที่ไม่ดีแม้แต่ที่ผลดีเนี่ยพระองค์ให้ทานมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินของพระองค์เนี่ยจึงมากมายมหาศาลก็บอกว่าน้ามันเนี่ยนะน้ามันหรือว่า น้ำเพร่งเนี่ยเป็นกโกดังกโกดังอ่ะมีมอบไม้หมาตานว่าหนูเนี่วิ่งมันพลาดไมหมดอ่ะทรัพย์สินของพระ อ, องค์เนี่ยมากมายจริงๆท่านก็บอกว่าบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาเนี่ยนะไหลทะลักมาให้ผลในชาติสุดท้ายจะรีบมาให้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพระ อ, องค์นิพพานแล้วอดให้เลยอันวิบากดีๆก็จะรีบมาให้อันพระ อ, องค์นั้นจึงเป็นที่รักที่เคารพสักการะเพ่ทูลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระ อ, องค์นั้นเป็นสุคุมาราชาต เสนาสนะเนี่ยต้องเชื้อเชิญจึงจะใช้ให้มันนี่มนบางทีไม่ใช้ให้จีโอนเหมือนกันต้องอ้อนวอนโอ้ยขอให้พระองค์ใช้ให้ทีเถอะอย่างเงี้ยอาหารมินทบาทก็เหมือนกันโหอ้อนวอนมากฉั้นจึงเรียกว่าสมณสุขุมารผู้สมะผู้ละเอียดอ่อนนั่างเง้นเพราะว่าพระองค์นี้ทรงสั่งสมบุญไว้มากมายมหาศาลทีนี้ต่อไปว่าพระมหาบุรุษไม่ได้กล่าววาจาอันส่อเสียดทําความแตกกันแก่พวกที่ดีกัน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 มาในโลกนี้ย่อมมีพระทนไม่ห่างเรียบดีและมีพระทนสี่สิบซี่เกิดอยู่ในพระโอ์ตั้งอยู่เป็นอย่างดีฟันเฉยๆนี่ก็เป็นตราบุญตราบาปนะแต่ฟันใครไม่ค่อยดีนักเนี่ยแย่างของอาตมาเนี่ยต้องพาเลยเนะอันนี้ตราบาปไงไงเลยไม่ใช่ตราบุญแล้วคนตราบุญนี่ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องฟันเลยสุขภาพฟันนี่ดีตลอดถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะมีบริษัทไม่แตกกัน หากพระองค์เป็นสมณะจะปราศจากกิเลสปราศจากมนทินบริษัทของพระองค์จะดำเนินตามไม่มีความวันไหวอันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีบุญเนา ะ, ะการใช้วาจานี่สำคัญมากเลยนะอย่าไปเป็นบางช่างยุบางช่งา ง, ชงแย่ให้เขาแตกแยกกนันถ้าหากว่าเรารู้จักใช้วาจาวันๆหนึ่งกุศ ล, ลจิตเราเกิดบ่อยนะถ้าหากว่าสังวรที่จะใช่วาจาเมื่อวานกล่าวถึงการใช้ ใช้สายตาใช่ไหมการใช้สายตายังเป็นกรรมเลยเหลียวตายเหลียวซ้ายแลวขวากลิ่งกรอกสายตาไปมาเจตนาที่เป็นเหตุให้กลิ่งกรอกสายตาไปม า, ก, ก, า, า, ปมาก็เป็นเป็นกรรมด้วยเมื่อเป็นกรรมเนี่ยนะมีผลเลยนะทำให้สายตาเป็นอย่างไรการใช้วาจาของเราก็เหมือนกันก็เป็นเหตุเป็นนิมิตเป็นนิมิตแห่งกรรมเลยนะใครอยากฟัน ง, งามๆฟันดีๆก็รักษาวาจาให้ดีๆหน่อยเนะถ้าใช้วาจาดีก็ พวกฟันพวกอะไรจะได้ไม่มีปัญหาใครที่มักปวดฟันบ่อยๆนี่ยก็อย่าลืมเตุประเภทนี้ไว้จะใช้วาจานึกถึงนี่ไอ้ที่ปวดฟันก็เพราะใช้ลิ้นไม่ถูกประเภทนี่แหละทีนี้ต่อไปว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายตาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกําเนิดก่อนละคำหยาบเว้นจากคาหยาบกล่าวแต่คาที่ไม่มีโทษเพราะชวนหู เรียกว่าเพราะหูชวนให้รักจับใจชนส่วนมากรักใครชอบใจเรียกว่าใช้วาจาที่ที่คนฟังแล้วเขาประทับใจเลยนะฟังแล้วเขาเขามีความสุขอะเมื่อได้ฟังวาจาอย่างนั้นโอ้เป็นวาจาที่ไม่มีโทษเลยนะซึ่งไม่ระคายเคื่องหูแม้แต่นิดเดียวตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสังสมพ่อภูนภัยบุญ พ่านจติจากสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลลักษณะ ส, สองประการคือมีพระเชิวหาใหญ่เชิวหาใหญ่นี้ก็คือมันใหญ่จนขนาดว่าแผ่ปกหน้าได้แต่บางคนเนี่ยลิ้นมันฟั่นลิ้นมันต้นทีนี้พูดเนี่ยจะมีปัญหาในการใช้คำมากกากว่าใช้พูดแล้วลิ้นมันรัวไม่น่าฟังเลยก็มีเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับลิ้นนะใครที่ใช้คำหยาบมากๆเนี่ย จะมีผลกับลิ้นมากมายหรือบางทีเนี่ยกลายเป็นลิ้นที่ขยายไม่ได้ใช่ไหมมันแข็งเทื่ อ, อยู่อย่างงั้นแหละพูดก็พูดยากกว่าจะออกมาแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยพูดไม่ชักอะ่ะอย่างเงี้ยมันพูดยากจริงๆเลยเพาเหตุประเภทนี้ทําไหมและให้อีกอย่างหนึ่งนะการไม่ใช้คําหยาบทําให้พระองค์มีพระสุรเสียงดุดเสียงพร่ำอย่าใช้คำหยาบนี่คาหยาบเป็นยังไงเออเอาไปหลับให้สบายซะอย่างนี้หยาบไหม เอาไปหลับให้สบายให้มันหลับตลอดการอะไรเงี้ยหยาบไห ม, ไมอ่านี่หยาบนะเพราะจิตมันหยาบอะ่ะก็คือพูดด้วยโทสะนั่นแหละจิตที่ที่เป็นโทสะนะถึงจะพูดเพราะเออเอามันไปหลับให้สบายนะหลับตลอดการเลยอันนี้ก็โทสะนะนี่ก็ชื่อว่าคำหยาบนะไม่ต้องกล่าวไปไกลถึงคําที่ฟังแล้วระคายเครืองหูเลยน้ําหนักเสียงนี่นิ่มมากเลยนะแต่ด่า อันนั้นก็ชื่อว่าหยาบด้วยพวันอันนี้สองของการใช้วาจานี้จะทําให้เป็นคนที่ลิ้นดีลิ้นงามแล้วก็พัศรเสียงเหมือนเสียงพรมอะ่ะมีสำเนียงดุดเสียงนกกระเวกเพราะว่านกกระเวกนี้เป็นนกที่ว่าถ้านกนี่ร้องปั๊บเนี่ยนะสัตว์อื่นๆต้องฟังอะ่ะเพราะมากเหมือนกันทีนี้ว่าเพราะขนาดไหนไม่เคยฟังสักทีนก็เลยเล่าให้ฟังไม่ถูก แต่พรองคบอกว่าเสียงเพราะมากถ้าหากว่าผลอันนี้นะถ้าไม่ออกบวชเป็นพระราชาจะได้รับอันนี้สองคือมีพระวาจาอันชนเป็นอันมากเชื่อถือคนนี้เชื่อถือชนเป็นอันมากเชื่อถือถ้อยคําของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์เครื่ายบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาร์อามาดกองทหารนายประตูอํามาดนะหรือว่าเป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นรา ช, ชกุมาร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 คนไม่เชื่อถือในถ่ายคําเคยเห็นนะบางคนนี่ก็พูดเพราะดีพูดดีพูดเพราะนะแต่คนรับฟังไม่ได้พอพูดปั๊บเนี่ยคนเกลียดเลยก็พูดดีนะบางคนก็พูดธรรมะนะแต่พอคนนี้เอ่ยคำธรรมะแค่คําเดียวขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนเนี่ยอยากจะหลบเลยนะเมินเลยนะคนเนี่ยเมินเลยนะเพราะเพราะเหตุประเภทนี้ทําให้คนเนี่ยไม่ยินดีที่จะฟังนะพวกกรรมเนี่ยจะไปดูถูกมันนะพระมหาบุรุษไม่ได้กล่าววาจาหยาบ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 เป็นจิตที่หวังดีปราถนาดีหวังความอนุเคราะห์เป็นเมตตาวจีกรรมเป็นเมตตาวจีกรรมมีทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าแบบสำนวนเราๆทั่วไปก็คือเป็นวาจาที่ให้เกียรติกันนะเป็นวาจาที่ค่อนข้างยำเกรงกันเคารพกันอาวาจารประเภทนี้แหละเป็นเป็นไปกับเมตตาและก็วาจานี้เป็นที่รักแข่งใจอันไปสู่หไทยสะดวกหู สเสวยผลแห่งวาจาที่ประพฤติดีและสเสวยผลบุญในสวรรค์ครั้นเสวยผลบุญแห่งกรรมที่ประพฤติดีแล้วมาในโลกนี้ได้ถึงความเป็นผู้มีเสียงดุดเสียงพรมและมีพระชิวหาภัยบู์กว้างมีคำที่ตรัสอันมหาชนเชื่อถือผู้และคนเนี่ยเชื่อหมดเลยฟังพผล น, นี้ย่อมสาเร็จแก่พระองค์แม้เป็นเครือหัดตรัสอยู่ชั้นใด ถ้าออกพนวดเมื่อตรัสคำที่ตรัส ด, ดีมากแกมหาชนคานั้นมหาชนก็เชื่อถือฉันนั้นโดยแท้นั้นพระองค์นั้นฉลาดในการใช้วาจาด้วยเนาะคือที่เป็นประโยชน์ค่าของพระองค์นี่ก็ดีเพราะว่าพระวาจาของพระองค์นั้นคล้อยตามพระญาณคล้อยตามสติคล้อยตามปัญญาเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมฉันสมุดฐานของคาพูดเนี่ยมาจากจิตที่ดี แล้วเสียงตัวนั้นเนี่ยนะซึ่งฐานของเสียงเนี่ยเกิดจากกรรมทันฐานของเสียงซึ่งเกิดจากกรรมเนี่ยกรรมประเภทดีปับ๊บน้ําเสียงก็น่าน่าฟังจิตดีด้ว ย, วยกรรมดีด้วยทันคาพูดของพระองค์ก็เลยดีไปหมดเลยเลยไม่มีโทษนะกรรมที่เราสะสม พ, อพ่อโพนไม่นะมันวิ่งตามมาข้างหลังเนี่ยซึ่งซึ่งมองไม่เห็นเนี่ยไม่เห็น้อยเลยนะ คิดดูแต่มันให้ผลขนาดนี้คนก็ยังไม่ค่อยจะเห็นเลยใช่ไหมในกุศลวิบากเห็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นกุศลหรวิบากแล้วก็กุศลวิบากนี่ไม่ใช่วิบากดีธรรมดาเพราะเป็นผู้ถึงปลายสารณาคมนะก็นับว่าเห็นกาลยานามิตรนั่นแหละแต่เราก็ไม่มาเด็กคือคิดคิดถึงเรื่องนี้น้อยหน่อยคิดคิดไม่มากอะนะคิดในความเป็นเออเนี่ยสีเหล่านี้เป็นผลของกรรมนะสีเหล่านี้มีจิตที่ดีเป็นปัจจัยด้วย แล้วก็กรร ม, มชรูปเหล่านี้เป็นนเป็นผลของบุญแต่ก็ตรารบสิ่งเหล่านี้น้อยมากทั้งๆ ท, ที่ตราบุญตราบาปก็ให้ผลอยู่ตลอดแล้วจกักรคูวิญญาณหรือจักรคูภาษาธะของเราก็มาจากตราบุญหรือตราบาปด้วยวันนี้เรียนเรื่องจกักรคูพอดีเลยที่ทีท่เป็นพิสุทธิมรรคกันนะว่าจักรคูภาษาธรูปเนี่ยนะมาจากกรรม ก ร, รมนี่เป็นปัจจัยให้จกัก ร, รูปภาษาธรูปเนี่ยเกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นความใสของมหาภูทธรูปนะจกักรูปนี้คือความใสของมหาภูทธรูปซึ่งมีกรรมที่เป็นเหตุใคร่จะเห็นเป็นเหตุใกล้มหาพูทธรูปเกิดจากกรรมแต่กรรมมันนั้นเนี่ยเป็นกรรมประเภทเพื่อต้องการเห็นเพะนั้นกรรมตัวนั้นมาจากกรรมกันหาหรือรู ป, ปรตันหา การมาตันหารูปตันหาเกิดขึ้นปั๊บปรารถนาที่จะเห็นสีอันตันหานั้นเป็นปัจจัยให้กรรมเกิดขึ้นกรรมเพื่อให้มีจกักขูจักขู่เกิดขึ้นก็รับรู้สีพอจกักขู่กับสีปั๊บจักขูวิญญาณก็เกิดขึ้นตัวจักขูวิญญาณก็เป็นผลของกรรมด้วยอันเรื่องพวกนี้เราต้องต้องศึกษาเพื่อให้เรารู้ความรู้อันนี้เป็นปริญญาไหมเป็นประเภท ยาตะปริญญาซึ่งเราจะต้องพอกพูนสะสมวันนี้ก็เลยเออประทับใจไอ้คำว่ามหาภูตรูปเหมันนะซึ่งเป็นกรรมมาจากกรรมเป็นสมุทฐานกรรมมา น, นั้นเป็นกรรมประเภทไข่จะเห็นความใข่อันนั้นมาจากรูปปตัตหาหรือกามัตันหาในในตัญหาสามใช่ไม้มกามัตันหาภวะตัหาวิภวะตันหาตัญหาที่ปรารถนาจะเห็นสีเรียกว่ากามตันหา แต่ถ้าโดยตันหาหกเรียกว่ารูปปัตนหาสัทธตันหาคันธาตันหารัศตาตันหาโพธภาษตันหาธรรมะตันหาอยู่ประเภทรูปปัตนหาตันหาตัวนี้แหละเป็นปัจจัยที่ต้องการเห็นสีทํากรรมเลยทําให้มีจักขูปแตถ้าจักรูไม่มีเนี่ยมันเป็นโลกที่บอดมองไม่เห็นอะไรทักอย่างอันตันหานั้นเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเห็นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอ้นี่มันตราบุญตราบาปเล้นะเนี่ย ตัญหาที่เป็นเหตุให้เกิดจากขุเป็นสัจจะไหมสัจจะข้อสมุทยัยสัจจากขุที่ที่อาศัยมหาภูตรูปหรือความสายของมหาภูตรูปจากขุอันนั้นเป็นพุกสัตว์ถ้าไม่มีตัญหาจากขุนี้จะมีไหมถ้าไม่มีรูปปัญหาหรือกามตัญหาจะไม่มีจากขุเลยเพราะถ้าไม่มีรูปปัญหาเลยเนี่ยผู้นั้นถ้าเป็นโลภะอยู่อย่างน้อยก็ต้องเป็นอรูปป ร, รม ต้องเป็นอรูประรมเพราะอรูปประพรมเนี่ยละรูปประสัญญานานัตตะสัญญาปฏิฆะสัญญาละสัญญาเหล่านี้จึงเข้าอากาสานัญจายตนะโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดพวกนี้ต้องเบื่อในกามสัญญารูปประสัญญานานัตตะสัญญาปฏิฆะสัญญาต้องเบื่อสัญญาที่ในทวิปัญจาวิญญาณจิตสิบเห็นโทษของสัญญาในทวิปัญจาวิญญาณจิติบ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 สลัดจากรู ป, ปรสัญญาก็คือในรูปปัญญานปฏิฆาสัญญาคือสัญญาในทวีปัญจวิญญาณจิตสิบและก็นานัตตาสัญญาคือสัญญาในชวนะทั้งหลายต้องครอบงำสัญญาเหล่านี้จึงจะเข้าอากาสารัญจา ย, ยตนะได้ถ้าผู้ที่สําเร็จอากาสารัญจา ย, ยตนะก็เป็นประเภทกรรมภพกรรมภพอันนั้นเพื่ออุปติภพคือปฏิสนธิเป็นอากาสารัญจา ย, ยตนะพรหม พรหมชั้นนี้ไม่มีการเห็นไม่มีการเห็นการได้ยินไม่มีอะไรสักอย่างเพราะไม่มีภาษาทรูปส่วนรูปประพรมก็ยังดีในการเห็นอยู่เพราะยังยินดีในนิมิตคือการเห็นเช่นพรหมบางท่านเจริญกะสินก็ยังยินดีในการเห็นเพราะการเจริญกะสินนี่อาศัยการเห็นเป็นปัจจัยนั้นก็ถือว่ายังยินดีในการเห็นอยู่ถ้าหากว่ายังยินดีในสีนะก็แสดงว่าทากรรมเพื่อให้ได้ตายอีกแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในสียังไงก็ต้องเห็นอีกแน่แต่จะเห็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะสีมีสมุธฐานเท่าไหร่สีมีสมุธฐานสี่จักรโเนี่ยนะมีสมุธฐานคือกรรมกรรมที่ทําให้เกิดจักรโมีเท่าไหร่อกุศลจิตสิบสองทำให้เกิดจกักรโหไหมอกุกอศลก็ทําจากักขโวัตถุเกิดได้กุศลก็ทําให้เกิดจกักขโวัตถุได้ทีนี้จกักรโหรือตาเนี่ยนะที่มาจากกรรมเนี่ย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 เว้นบางคนมีคุณภาพมากขึ้นชั้นใดจากขู่วัตถุของเราก็จะคล้ายๆกันมาจากกรรมที่มีคุณภาพมากไหมทีนี้ไอ้กรรมที่มีคุณภาพหรือว่ากรรมนั้นอ่ะมีกําลังแรงเนี่ยเขาก็สังเกตดูวันๆหนึ่งเนี่ยกรรมชนิดไหนเรามีกําลังแรงเพื่อให้ได้จากขู่นั้นอีกอั้นถ้าหากว่ากรรมที่อ่อนกําลังมากนะก็แสดงว่าเตรียมทํากรรมประเภทให้ทานไว้เยอะๆจะได้มีค่าตัดแล่นตายเพราะว่าจากขูเนี่ย เป็นกรร ม, มชรื้อโรคใช่ไหมเมื่อเป็นกรร ม, มชรื้อโรคนั้นอะ่ะถ้ากรรมบางอย่างมาเบียดเบียนมาตัดรอนเป็นต้นจักรคู่ก็มีปัญหาอันนี้เฉพาะกรรมในจักรคู่นี้ยังมีอาหารอีกอาขาดวิตามินก็แย่เลยใช่ไหมถ้าขาดวิตามินในจะแสบตาจะทำให้เห็นไม่ค่อยชัดถ้าสภาพจิตเราไม่ค่อยดีตาเขาไม่ดีนะบางคนเนี่ยตาต้อเกิดเพราะสุขภาพจิตไม่ดีต้อบางอย่างเกิดจากจิตที่ไม่ดี ต้อลมก็เกิดจากรับลมมากเกินไปหรือต้อบางอย่างก็เกิดจากลมต้อบางอย่างก็เกิดจากอาหารเพราะนนกรรมก็อาศัยช่องเล่นงานทันทีเลยเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยทำทั้งดีและชั่วนะเพื่อให้ได้รับผลที่หวานและก็ขมขื่นนะทั้งหน้ายินดีทั้งไม่หน้ายินดีถามว่าสรุปทั้งหมดอะไรน่ากลัวที่สุดความคิดขณะนี้ที่ทำกรรมอะ่ะ แต่กรรมจะไม่ให้ผลเลยถ้าไม่มีตันหาที่ยินดีในการเห็นถ้าผู้ที่ละคลายความยินดีในการเห็นได้ผู้นั้นจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในเรื่องตาได้แต่ทีนี้ถ้าจะละรูปประตัญหาหรือสีเนี่ยจะทำยังไงตันหารูปประตัญหาตันหายินดีในสีถ้าจะละละได้อย่างไรเออจะละทำยังไงดีถ้าจะละตัญหาอันนี้เนี่ยที่ว่าคืออะไร ถ้าทำปริญญาในสีเจริญญาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหาณนะปริญญาในรูปอารม์จึงเป็นตัดใจเพื่อตัดกรรมถ้าหากว่าโซดาปฏิมักเกิดขึ้นนะจะเห็นแบบมนุษย์เห็นไม่เกินเจ็ดชาติเพราะว่าไอ้ภพที่แปดเนี่ยโซดาปฏิมักตัดเลยละไม่ให้เห็นอีกแล้วภพที่แปดนั่นแหละเกิดเกิดอีกเจ็เจ็ดนอย่างนั้นที่ที่กรรมเนี่ยก่อขึ้นน่ะนะ มันเอาไหมเราได้เห็นอีกเจชาติใช่ไหมถ้าหากว่าเออเป็นพรหมเขายังชั่วใช่ไหมพรหมเนี่ยที่เมืองพรหมมีแต่เพชศมีแต่อะไรก็ ย, ยังชั่วหน่อยทีนีไไ้ไอ้กรรมที่เป็นบาปหรือใครไม่ทํากรรมร่วงกรรมบดเลยกายกรรมว จ, จีกรรมมโนกรรมที่ร่วงกรรมมาบดเนี่ยคิดกันทํากันมากมายมหาศาลแล้วจะไม่ไปอบายเหรอถ้าไปอบายแล้วจะไปเห็นอะไรใช่ไหมสมมุติถ้าไปอยู่ในฟาร์มหมูเนี่ยจะเห็นอะไรไมเห็นแต่หมูด้วยกันหมดเลย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 พุสวาจาหรือแม้กระทั่งอับพิชาพยาบาทหรือพ่อสีอีกนั่นแหละก่อให้เกิดมิจฉาทิฐิฉั้นในในสิ่งเหล่านี้จริงๆอ่ะมีโทษพระองค์เนี่ยกล่าวโทษแห่งกาวไม่มากมายิ่งนะอ่ะนะเพราะเหตุที่ทำให้เกิดตานะก็คือหนึ่งยังยินดีในสีสองบางคนก็ทำกรรมเพราะปรารถนาจักสุอย่างอย่างสมัยสมัยก่อนเนี่ยของมาชอบเอาไฟไปบูชาพร ะ, ะเราจะได้มีตาเจ๋อๆหน่อย อันน่้เรียกว่าทํากรรมเพื่อเพื่อให้ได้มีตาเลยนะะเอาเอาเทียนไปจุดบูชาพระเสร็จแล้วขอให้เรามีตาใสๆนะเห็นชัดๆหน่อยอะไรเงี้ยทํากรรมประเภทนั้นโอ้เนี่ยกรรมประเภทที่เป็นไปเพื่อให้ได้จักสู่อีกแต่ว่าไม่ได้แค่ตาแบบนี้หรอกโหมันมองไกล ย, ยางได้ตาทิพด้วยนะทีนี้ต่อไปนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกําเนิดก่อนละคําเพ้อเจอ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกกาละพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัฏฐพูดอิงอัฏฐาก็คือพูดอิงผลทั้งหลายพูดอิงธรรมะคืออิงเหตุอิงวินยัยอิงวินัยก็คืออิงสังวรวินยัยอิงปหานวินยัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควร ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตา ย, พายตเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพ่อคูณภัยบณ์แล้วก็จุติจากสวรรค์มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะ น, นี้คือถ้าไม่พูดเพ้อเจอ้อจะทำยังไงได้ผลอะไรบอกว่ามีพระหานุดุดคางราชสีมีคางเหมือนคางราชสีเรียก ว, ว่าคางเนี่ยหน้าแกรงขามมันนะ ถ้ามหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้รับอ น, นิสงส์เพิ่มคือไม่มีใครใๆที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกศัตรูกำจัดได้แปลต่คนที่มีคางคล้ายราษฎร์ศรีเนี่ยไม่มีใครกำจัดได้นะถ้าออกพนวดจะได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่รักษาวาจาในข้อไม่เพ้อเจอได้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 กล่าวไว้ว่าพระมหาบุรุษไม่กล่าวคําเพ้อเจ้อไม่กล่าวคําปราศจากหลักฐานมีคลองพระวาจาไม่เหลวไหลทรงบรรเทาเสียซึ่งคําไม่เป็นประโยชน์ตัดแต่คําที่เป็นประโยชน์และคําที่เป็นสุขแก่มหาชนผููแต่ประโยชน์ประโยชน์นีกี่อย่างประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง ท่านทำกรรมนั้นแล้วจุติจากมนุษย์โลกเข้าสู่เทวโลกสเสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทำดีแล้วจุติแล้วเวียนมาในโลกนี้ได้ความเป็นผู้มีพระหุ้นุดคางราชสีที่ประเสริฐกว่าสัตว์สีเท้าก็บอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหมดนะราชสีก็เรียวกว่ามิคราชมิขาแปลว่านพวกเนื้อทั้งหลายแหละเนี่ยราชสีเป็นราชาของเนื้อทั้งหลาย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 เป็นเจ้าแห่งราชสีท่าบรลือสีขนาดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าสัตว์บางตัวนี่ถึงก็อกแตกตายเลยก็มีเขาจึงเป็นราชาแห่งสัตว์ดังคนที่มีคางในลักษณะนี้ก็เหมือนกันเป็นพระราชาที่เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ยากนักที่ใครจะกําจัดพระองค์ได้พระองค์เป็นผู้ใหญ่ยิ่งของมวลมนุษย์มีอนุภาพมากเป็นผู้เสมอด้วยเทวดา ผู้ประเสริฐในไตรทิพย์นี่อุปมาว่างั้นที่จริงแล้วพระองค์นี่เลิศกว่าเราเทพพญเจ้าอีกเป็นเหมือนพระอินผู้ประเสริฐกว่าเทวดาเป็นผู้มั่นคงอันคนทันอสูนเท้าสะกะและยักษ์ผู้กล้าไม่กำจัดได้โดยง่ายเลยพระมหาบุตรนั้นย่อมเป็นใหญ่ทุกทิศในโลกนี้โดยแท้อันพระองค์นั้นเป็นใหญ่ อย่างจริงๆเรียกว่าในบรรด า, าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าจนถึงอรูปป ร, พรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศที่สุดเดี๋ยวจะให้ดูอัตรกระานิดหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ทำกรรมประเภทเพอเจอร์นะก็อบอกว่าผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีคางเข้าไปในภายในหรือมีคางคดหรือมีคางเงื้อมีมคางเงื้อเขาว่าง้งแต่พระตถาคตไม่ตรัสอย่างนั้นฉันคนที่คางมีปัญหาเนี่ยนะ ก็มาจากกรรมประเภทเพอเจ้อเป็นนิมิตแห่งกรรมหมดเลยเนาะเนี่ยนะถ้าใครจะเพอเจ้อเนี่ยรูปรูปคลางได้เลยนะทาเหตุไว้นะต่อไปถ้าคลางมันบิดบิดเบี้ยวเบี้วอย่าไปตําหนิมันนะว่าพูดไปเถอะถ้าคลางมันบิดบิดเบี้ยวเบี้วก็อย่าไปตําหนิใครกัแล้วกันันการใช้วาจาเนี่ยนะสําคัญนะมีอิทธิพลต่อชีวิตในชาติต่อไปเป็นอย่างมากเลยถ้าฝึกใช้วาจาสตัตชาตินี้เลยนะต่อไปอนาคตก็จะดีขึ้นใช้วาจาอย่างไร พระพุทธเจ้าพูดพระไตรปิฎกไว้ตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนะ่เอามาพูดวัลธรรมรมาขันนะมาขันนะพูดจนตายก็ไม่จบนี่น่าพูดมากเลยนะเกิดประโยชน์มากมานี่เลยมาเลยเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังนะจะ ไ, ได้เกิดประโยชน์เพราถ้าปล่อยคุยเรื่องที่เหลือนะไม่รูคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ต่อไปว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกัมเนิดก่อนละมิชฌาอาชีวะแลว้ว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 แตถาคทย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทําสังสมพอกภูมไภัยบุญพระมหาบุรุษนั้นย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายในโลกสวรรค์โดยฐานะสิบคืออายุทิพวัรณนะทิพสุขทิพยุทิพอธิปไตยทิพรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะพระที่เป็นทิพจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปริศรัาสนะสองประการคือ มีพระทนเสมอกันฟันของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสมอกัน่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีพระทาถะคือมีสีขาวง า, ามถ้าเคี่ยวของพระองค์เนี่ยสีขาวง า, ามแบบพระเคี่ยวแก้วอ่ะนะผู้การว่าไปเห็นมาแล้วนะไปที่อยู่ที่สีลังกาอยู่ที่สีลังกาด้วยแล้วก็ที่สวรรค์ชนดาวดึงก็มีถ้าไม่เห็นที่สีลังกาก็ไปดูที่ดาวดึงเนื้อพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีอาณาจักรมั่นคงถึงพร้อมด้วยรัตนะเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วเครหาบดีแก้วปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดและมีโอรสมากกว่าพันล้วนแต่เป็นผู้แก้วกล้าพระรูปสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยธรรมโดยเสมอ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 ได้แก่มีบริวารที่เป็นพรนหาหมณ์เครืบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์มหาอํามัดกองทหารนายประตูอํามัดบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นกุมาร น, นะเคร่าวัดได้แต่คนดีๆมาอยู่ใกล้เหมั้นกนี้ะไม่มีคนชั่วมาอยู่ใกล้ๆพระองค์ไม่มีมีแต่เอาแต่คนดีๆมาติดสอยห้อยตามพระองค์ถ้าพระมหาบุรุษทรงออกผนวดจะได้เป็นพระรหารตระสำมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารสะอาดบริวารของพระองค์ที่สะอาดนั้นได้แก่ภิกษุใช่ไหมอย่างพระอานุนเนี่ยโอ้โหเป็นผู้สะอาดมากเขาเรียกว่าท่านบทติดตามพระผู้มีพระภาคอยู่ยี่สิบห้าพันศาเนี่ยนะเขบอกว่าราคะไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดกุศลจิตท่านเกิดบ่อยมากก็คิดดูนะว่าพระองค์พูดคําหนึ่งพระอานุนเนี่ยแต่ขยายได้หกหมื่นบทพระองค์พูดบทเดียวพระอนุนขยายได้หกหมื่นบท ที่ดูแล้วพระพุทธเจ้าพูดวันหนึ่งเท่าไรแล้วผ้าอนนจะขยายได้เท่าไหร่โอ้ไม่มีเวลาให้กิเลสเกิดเลยอันกุศลจิตท่านเกิดมากมายมหาศาลแล้วเป็นผู้ที่มีเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังในายพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกเหมือนมเหสีที่ติดตามเสด็จเหมือนเงาติดตามตัวว่างั้นแล้วภาษาาริบุตรอย่างเงี้ยพระโมคขลานะมีแต่คนดีๆติดตามอย่างอสีติมหาสาวกแปดสิบองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่เข้าติดพระองค์ส่วนสาวกที่เหลือเนี่ยไม่อยู่ห่างๆไกล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 อันนี้แขนคิดแทนหน่อยอ่าดูหนังสือแทนนี่คิดตามไม่ได้ตาก็คิดแทนไม่ได้พวกจากครูวิญญาณโสตข า, านาชิวหาให้คิดแทนไม่ได้สักอย่างแต่มนโนวิญญาณคิดได้เพราะมีวิตกส่วนฌานจิตชั้นทุติยะฌานเป็นต้นไปก็ไม่คิดไม่มีวิตกทุติยตะฌานตัติยฌานจตุตฌานปัญจมฌานอรูปฌานฌานเหล่านี้จะไม่มีวิตกเกิดร่วมด้วยอันจิตที่เหลือก็มีวิตก แต่ทีนี้วิตกมีฝ่ายดีอยู่สามฝ่ายไม่ดีอยู่สามวิตกถึงฝ่ายดีวิตกถึงอะไรนี่คำว่าวิตกวิตกเพื่อที่จะออกจากอารมณ์ทั้งห้าหรือเรียกว่ากาบวัตถุกาวิตกที่ออกจากความไม่โกรธวิตกที่ออกจากความไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นกุศลวิตกส่วนวิตกที่เป็นอกุศลก็คือวิตกไปในรูปเสียงเกลิ่นรสโพธะภะพวกนี้ วิตกเพื่อที่จะติดใจวิตกเกิดร่วมกับโลภะอันนั้นเป็นกามวิตกส่วนวิตกต่อไปนะวิตกด้วยความโกรธด้วยโทสะเวื่อนี้เป็นพยาบาทวิตกพยาบาท ย, าาทยางังไงรู้ไหมนึกถึงงานที่ทำไม่เสร็จแล้วนึกเมื่อไหรไม่สบายใจทุกทีเลยนั่นแหละพยาบาทวิตกนึกถึงอ้ยเมื่อไร่จะเสร็จสักทีเนี่ยนึกแล้วหงุดหงิดเน่ยนะอะไรที่นึกแล้วหงุดหงิดนะอันนั้นเป็นลักษณะของพยาบาทวิตก แต่ถ้าวิเหงสาวิตกเนี่ยนึกถึงใครสักคนหนึ่งแล้วคิดจะทําลายคิดจะเบียดเบียนอันนั้นเป็นวิเหงสาวิตกแต่คิดถึงใครแล้วชอบเลยเนี่เป็นกาลมาวิตก mm hmm. ความคิดอย่างนี้มีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษนะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรเจริญไหมแ ต, แต่ทําไมคิดมากจังอะ่ะมันคิดไปแล้วนะมันได้ปัจจัยมันก็เลยคิดเลย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 โจรหัวโจกวังนั้นโจรโจกเจอโจรโจกเขาว่าก็ยังไม่ร้ายเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดะโจรเนี่ยถ้าไม่ตั้งไว้ผิดจะไปเป็นโจรได้ยังไงเพราะนั้นความชั่วร้ายทั้งหลายแหละก็เกิดมาจากวิตกท่านวิตกตัวนี้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดแม้กระทั่งมิจฉาทิฏฐิด้วยเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญมากที่จะทําให้เกิดมิจฉาทิฐิอย่างเช่นผู้ที่มีการาวิตกมากมากเนี่ยนะนานๆเข้าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ เพราะว่าอย่างมิจฉาวิตกเกิดตรึกในเรื่องที่ไม่ควรคิดมากๆใช่ไหมคิดต้องการรูปเสียงเป็นต้นมากๆเดี๋ยวเอ๊ะมันจะคิดอยากได้มาโดยไม่ชอบทำพอคิดได้มาโดยไม่ชอบทำปั๊บความคิดบางอย่างจะแวบมาอ่าบาปนะเฮ้ยบาปไม่มีหรอกจะตัดออกไปทันทีเลยจะตัดเรื่องบาปบุญกุลโทษออกไปทันทีเลยอ่าพยาบาทวิตกเกิดมากๆก็จะเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิเกิดนะคนที่ขี้โกรธมักโกรธเนี่ยนานๆเข้าเดี๋ยวก็ ไม่เชื่อบุญบาปหรือยิ่งประเภทวิหิงสาวิตกเนี่ยไอ้ไอคนนี้มันสมควรตายจริงๆอะ่ะคงไม่บาปแล้วมั้งนะมันมันจะเป็นลักษณะ น, นั้นเลยอันวิตกมากๆอากุศลวิตกเกิดบ่อยๆจะเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเนียง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะสังวรสํารวมระวังรักษาชีวิตของเราเนะรักษาที่วิตกถ้ารักษาที่วิตกได้เนี่ยคนนั้นก็เก่งถ้ารู้จักวิตกดีจะรู้จักชานะปัจจัยดี รู้จักชาณปัจจโยดีเพราะว่าองค์ชาณมีเท่าไร่มีห้าใช่ไหมคือวิตกวิจารปีติสุกเอกคตาแล้วในวิตกนะถ้าเป็นอากุศ ล, ลวิตกก็เป็นชาญเหมือนกันแต่เป็นอากุศ ล, ลชาญนะวิตกที่เป็นไปกับนิวรห้าพวกนี้เป็นอากุศ ล, ลชาญอันวิตกนั้นถ้าเรารู้จักปัจจัยของเข้าดีวิตกจะเกิดขึ้นเพราะเพราะตั้งจิตไว้ผิดอะ่ะถ้าหากว่าตั้งจิตไว้ชอบทำนะ สมมติถ้ามันคิดบางอย่างขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเราเคยตั้งไว้เราจะไม่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้มีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ยภาลานาโทษให้มันดีดีก่อนเคิกว่าเราจะเลิกคิดเรื่องอะไรนะให้คํานึงถึงโทษของสิ่งนั้นให้มันดีดีก่อนว่ามันมีโทษอย่างไงบ้างเช่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเพื่อตัดรอนสติปัญญานะเป็นไปเพื่อบาปเพื่ออคุศลมีโทษะให้พ้นเป็นความทุกข์อยี้ย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 เราจะเป็นคนรู้เองว่าทำไมเราจึงคิดเรื่องนั้นสมมติถ้าเราคิดเรื่องลูกเพราะอะไรเราจึงคิดเรื่องลูกมีปัญหาข้อไหนบ้างที่เรายังเคลียร์ไม่เสร็จเราจึงคิดถึงทุกเรื <coaching> ่องเลยที <not> ่เราคิดนะถ้าเราใส่ใจให้ดีเราจะมีเหตุผลให้ตรงนั้นเลยเราจะรู้เองเลยว่าทำไมเราต้องคิดเรื่องนั้นถ้าเราสามารถศึกษาเรื่องวิตกได้เป็นอย่างดีเราก็จะน้อมจิตไปเพื่อเนคขมวิตกเลง่ายถ้าน้อมไปเนคขมวิตกเลง่ายง่ายขึ้น วิตกอันนี้เนี่ยเป็นฌานฌานนี่มีกี่อย่างฌานนี่มีสองอย่างลักคณูปนิสฌานกับอารัมมณูปนิสฌานเพ่งที่ลักษณะของขันธาตุอายตนะกับเพ่งที่อารมณ์พระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นนักเพ่งฌานในร่างกายของพระผู้มีพระภาคไม่มีอนูไหนที่พระองค์ไม่ได้เพ่งพระองค์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 แข้งได้ขาได้เท้าได้ฝ่ามือฝ่าเท้าได้เส้นขอดเนี่ยพระ อ, องค์รู้หมดเลยรู้แม้กระทั่งกรรมและกิเลสที่เป็นเหตุให้ได้รูปเหล่านี้ด้วยพระ อ, องค์จึงรู้หมดแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ที่ถ่ายถอนตัณหาได้โดยไม่มีส่วนเหลือกอันเวลาคนอื่นเขากราบสการะพระผู้มีพระภาคนะพระ อ, องค์บอกว่าคนนี้เคารพขันทัปปัญจกะที่พระ อ, องค์กาหนดรู้เรียบร้อยแล้ว อง์มไม่ได้มีมานะอู้ยิงถือตัวอะไรไม่มีพองค์คิดว่าเออเขาเคารพสการะขันธพันจกะที่พระองค์กําหนดรู้เรียบร้อยหมดแล้ววิตกเรียนได้ยังไงใช่ไหแล้วก็คิดดูว่าสิ่งที่เราวิตกเนี่ยวิตกถึงอะไรก่อนถ้าหากว่าเราวิตกถึงบางอย่างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นปับ๊บก็พิจารณาถึงโทษของวิตกอันนั้นโดยถ้าผู้ที่ศึกษาเรื่องกรรมดีเนี่ยจะรู้เลยเอาวิตกนี้เป็นกับอกุศล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 พิจารณาวิตกเฉพาะภายในเนะี่ยพิจารณาทั้งภายนอกด้วยพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกด้วยพิจารณาเหตุเกิดของวิตกทําไมจึงวิตกแบบนั้นนะวิตกที่เป็นอกุศลต้องมาจากอาโยนิโสเป็นต้นวิตกที่เป็นกุศลก็มาจากโยนิโสเป็นต้นฉันสา ม, มารถรู้เหตุปัจจัยที่ทําให้ให้คิดอยู่ๆทําไมเราจึงคิดถึงลูกถ้ามาไม่พูดถึงคนอาจจะไม่คิดถึงเลยนะแต่พอได้เสียงมาปับ๊บ ได้อารามณปัจจัยปั๊บจะคิดแวบไปเลยพอได้อารามณปัจจัยปั๊บอุปนิสัยเก่าที่สะสมเรื่องลูกมานานก็จะคิดถึงลูกต่อไปแวบพอใช้คําคว่าเพื่อนสนิทปั๊บเนี่ยได้อารามณปัจจัยปั๊บอุปนิสัยที่เราสะสมเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนมาปับ๊บจะคิดถึงทันทีเลยอันวิตกเนี่ยนะอ่าเช่นวิตกถึงญาติก็ชื่อว่าเป็นอกุศลวิตกแต่ก็ไม่มีโทษมากเท่ากับประเภทกามาวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหงสาวิตก อาประเภทนี้มี ม, มีโทษมากมายจริงๆดันตรงนี้ในขณะเดียวกันก็ทําให้เราเห็นว่าการใช้วาจาของเรานี่มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนอื่นด้วยบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะวาจาบางคนมันก็ไปกระโดดน้ําตายกว่ามีบางคนถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานกว่ามีนะกับการใช้วาจานั่นแหละนันวาจานั้นมั น, ม, นมันเกี่ยวข้องกันเป็นวิญญาตในเกี่ยวข้องกัน ทำให้เรามองเห็นนะว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะใช้วาจาที่ที่ไม่มีโทษที่ไม่มีโทษหรือว่าคนฟังแล้วก็ได้รับประโยชน์ดนั้นการศึกษาใช้วาจาแบบนี้ก็เป็นศีลข้อหนึ่งของเราด้วยเป็นมัชชิมาปฏิปทานนะศึกษาการใช้วาจาอย่างถูกต้องก็เป็นมัชิมาปฏิปทาเป็นหนึ่งในหนทางเพื่อความพ้นทุก์ในองแปดเจไหมส ม, มาวาจาก็หนึ่งในองแปดเพื่อความพ้นทุก์ อีกต่อไปนะท่านกล่าวว่าการกล่าวยิ่งคือการด่าว่าชื่อว่าอภัขานะพระพุทธเจ้าก็ถูกด่ามาดูเหตุว่าทําไมจึงถูกด่าได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลสูตรเป็นนักเลงชื่อว่ามุนาลิผีก็เกิดเป็นนักเลงกันแต่แต่เป็นนักเลงที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรหรอกไม่มีความชํานาญอะไรอาศัยอยู่คั้งนั้นพระประเจกับพระพุทธเจ้านามว่าสุรพิ มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากไปถึงที่ใกล้ของเขาด้วยกิจบางอย่างก็คือไปใกล้ๆกับสุรพินั่นแหละเขาพอเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้าเท่านั้นก็ได้ด่าว่าด้วยถ้อยคำเป็นต้นว่าสมณะนี้ทูศีลมีธรรมะอันลามกมองเห็นพระประเจกใจไม่เลื่อมใสนะด่าแทนเลยเพราะวิบากของอากุศลกรรมนั้นเขาจึงได้เสวยทุกในนรกเป็นต้นหลายพันปี ก็มีในจำได้ไหมว่าในวิชาที่สองที่พระองค์ตรัสรู้คือจุตูปปาตยามีอยู่คำหนึ่งใช่ไหมติเตียนท่าเรียเจ้าการว่าร้ายพ่าเรียเจ้าติเตียนท่าเรียเจ้าเป็นเหตุให้ไปส่วบายทุกติวินบาตได้ในอัตภาพครั้งสุดท้ายนี้ก็เราว่าในตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในภพดุสิตพวกเบรถีปรากฏขึ้นก่อนขนาดว่าพระองค์ยังไม่ได้มาบรรลุเลยใช่ไห คนโปรยลทัทธิผิดๆไว้เต็มไปหมดเลยเที่ยวแสดงทิฐิหกสิบสองหลอกลวงประชาชนอยู่นั้นจึงได้จุติจากดุสิตบุรีบังเกิดในสกุลสกยะราชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับพวกเนรทีเสื่อมลาบสการะเสมือนหิงห้อยในตอนพระอาทิตย์ขึ้นจึงผู้อาฆาตในพระผู้มีพระภาคเจ้าเที่ยวไปอยู่เนรทีเนี่ยคิดวางแผนจะห า, หาเรื่องพระพุทธเจ้ามาก เพราะว่าลาบสการะของเขาเนี่ยร่อยรอลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้พระพุทธเจ้าไม่เป็นท่าอาหารเนี่ยเขาก็ลาบสการะเยอะแยะมากมายพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปั๊บแล้วก็แสดงธรรมประชาชนได้บรรลุอริยสัจกันมากแล้วก็เขาก็เลือกทำกับเนื้อนาบุญที่ดีมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทีนี้คนอื่นๆก็ร่อยรอไปลาบสการะเนี่ยหายไปก็เลยผูกอาคาตพยาบาทวางแผนหาเรื่องอยู่อย่างเดียว ทนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในสมัยนั้นเศรษฐีในกรุงราช ค, ครกผูกตาขายในแม่น้ํำคงขาแล้วเล่นอยู่คนคนมีฐานะหน่อยเวลาเขาจะลงเล่นน้าเนี่ยเขาจะขึงตาขายก่อนไม่ให้ปลาไม่ให้จระเข้ไม่ให้เต่าที่ที่มีพิษร้ายเนี่ยเข้ามาทําอันตรายได้แล้วจะเล่นน้ําทีนี้ก็ได้เห็นปุ่มไม้จันแดงจึงคิดว่าในเรือนของเราเนี่ยมีไม้จันมากมายจะให้เอาปุ่มไม้จันทแดงเนี่ยเข้าเครื่องปรึง แล้วให้ช่างเปลืงเนี่ยเคลืงบาดปุ่มไม้จันทแดงนั้นแล้วก็แขวนที่ไม้ไผ่ต่อต่อกันห ล, ยลายๆให้หลำให้ตีกลองเปล่าร้องว่าผู้ใดมาถือเอาบาดใบนี้ได้ด้วยฤทธิ์เราจักเป็นผู้จงรักภักดีต่อผู้นั้นเอาบาดเนี่ยแขวนไว้บนอากาศเลยถ้าใครห่อมาเอาบาดนี้ลงไปได้นะจะยอมรับจะนับถือคนนั้นมากครั้งนั้นพวกเดร์เทีก็ปรึกษากันว่าบาดนี้พวกเราชิบหายแล้ว บาดนี้ที่พวกเราชีบหายแล้วนิครนหน้าตบุตรก็กล่าวกับบริษัทของตนอย่างนี้ว่าเราจะไปใกล้ๆไม่ไผ่ทำอาการดังว่าจะหอกขึ้นในอากาศพวกท่านจงจับบาของเราแล้วห้ามว่าท่านอย่ากระทํำริดเพราะอาศัยบาด ท, ที่ทําด้วยไม้เผาผีเลยว่างั้นเดรัทธีเหล่านั้นก็พากันไปอย่างนั้นแล้วได้กระทําเหมือนอย่างนั้นก็คือเขาวางแผนะให้ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปขอก่อนทันเตธีโอท่านนิครนเนี่ยเป็นพระอรหรัน เพราะฉะนั้นท่านจงให้บาทท่านนิครนเธอโอ้ยอยากได้ก็เหาะมาเอาสิวันที่หนึ่งสองสามสี่ทีนี้จนถึงวันที่เจ็ดทีนี้ก็วางแผนให้ลูกศิษย์ไว้เลยบอกว่าถ้าหากว่าฉันทํำท่าจะเหาะเนี่ยแกรีบจับมือกดไว้นะ <c oughs> ทีนี้ก็ไปทําอย่างนั้นด้วยกันแต่ทีก็ไม่ให้อยู่นั่นแหละทีนี้คนก็เริ่มประกาศตัวเอ๊สงสัยชมพูทวีปจะว่างเว้นจากผ้าอารหันจริงๆแล้วมั้งเนี่ยคนนี่เริ่มมาเอ๊ในยุคนั้นไม่มีผ้าอารหันที่เหลือนี่หลอกลวงว่าเป็น อรหันทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเนี่ยเรื่องก็ได้ยินถึงพระปินโดรภารัธาวาชากับท่านพระโมคคัลลานะทีนี้ท่านก็ยืนอยู่บนยอดภูเขาหินประมาณสามขาวุธกําลังห่มจีวรเพื่อจะเข้าไปบินทบาทได้ยินเสียงโกลาห น, นั้นบรรดาพระเทระทั้งสองนั้นท่านพระโมคคัลลานะได้กล่าวกับท่านพระปินโดรภารัธาวาชาว่าท่านจงเหาะไปเอาบาดนั้นพระนปินโดรภารัธาวาชานั้นได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านเท่านั้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาไว้ในตําแหน่งเลิอของท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านนั่นแหละจงถือเอาเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านพโมกขาลานะบังคับว่าท่านนั่นแหละผมสั่งแล้วท่านจงถือเอาเถิดท่านไปเอาทีนี้ท่านพระปินโดละพารัฐวาชาก็เลยทําภูเขาหินประมาณสามขาวุธที่ตนยืนอยู่ให้ติดที่พื้นท้าแล้วก็ให้ปกคลุมนะครราชชครสเสียทั้งสิ้นะนะก็คือห่อไปทั้งที่มีเท้า นี่ก้อนหินนี่แหละลอยติดไปด้วยเทีนี้เมืองราชเครือ ก, ก็เหมือนกับฝาปิดหม้อข้าวเช่นั้นเหมือนกมีหินก้อนโตอยู่ข้างบนนั่นน่ะเชียงใหม่เนี่ยดอยทุเทพลอยมาจะว่างไงทีนี้คราวนั้นประชาชนชาวนครแลเห็นพระเทระเนี่ยเหมือนได้แดงที่ร้อยในภูเขาแก้วพลึกก็มองเห็นพระเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ลิบๆว่าไงก็เลยพากันตะโกนว่าท่านภาระธวัชชาผู้เจริญขอท่านจงคุ้มครองกับผมด้วยต่างก็กลัว แล้วก็ได้เอากระด้งเป็นต้นนี้กั้นผีสาวไว้นะใครมีกระด้งเอากระดงมารองไว้โอ้หินก้อนเบอเราเอากระด้งวันเดียวนะทีนั้นพระเทรซก็ได้ปล่อยภูเขานั้นไปลงไว้ในที่ที่ตั้งอยู่แล้วก็ไปด้วยริดถือเอาบาดนั้นมาครั้งนั้นชนชาวพระนครก็ได้กระทําความโกลาผลเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวลุวนารามได้ทรงฟังเสียงนั้นจึงได้ตรัสถามพระอนนทว่านั่นเสียงอะไร ท่านพระนรนก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญเพราะพระพารัวาชถือเอาบาทมาได้ชนชาวนครจึงยินดีได้กระทำเสียงหูร้องนะก็คือพอไปหอเอาบาทเสร็จแล้วเสร็จทีก็บอกนิมนต์ลงมาเถอะแล้วก็นิมนต์ให้ฉันแล้วก็สายอาหารเนี่ยอย่างดีมาทีนี้ขณะที่ท่านถือบาทเดินกลับวัดเนี่ยประชาชนก็แห่ติดตามมาบอก ช่วยแสดงฤทธิ์ให้ดูทีเมื่อกี้ยังไม่ทันเห็นเหมือนกันนะนะท่านกัมัวแต่แสดงฤทธิ์ประชาชนก็แห่ตามมากันเหมือนกับงานใหญ่เลยอ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามมาเสียงอะไรดังระ ง, งมไม่หมดเหมือนกับชาวประม ง, งแย่งปลาเหมือนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นทีนี้ก็เล่าให้ฟังครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อที่จะปลดเปลื้องการกล่าวร้ายผู้อื่นต่อไปจึงได้ทรงนำบาทนั้นมาทุบให้แตก สั่งให้เอาบาทนั้นมาทุบแล้วให้บทให้ละเอียดสําหรับเป็นยาหยอดตาแล้วทรงให้แก่พิสูจทั้งหลายก็แหละครั้นทรงให้แล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายภิกษุไม่ควรกระทําการแสดงฤทธิพิกูุใดทําภิกษุนั้นต้องอาบัต ท, ทุกขกดคือฤทธิที่แสดงแบบคล้ายๆเหาะเหินพวกนี้ไม่ได้สักอย่างอธิษฐานได้คือฤทธิมีการแสดงอย่างการแผลงฤทธิขึ้นมาเนี่ยแสดงไม่ได้แต่ถ้าอธิษฐานเช่นอธิษฐานให้ไฟลุกเป็นต้นเนี่ยทําได้ ลำดับนั้นเดียร์ีทั้งหลายก็พากันกล่าวว่าพระสมณะโคโดมบัญญัติศิกษาบทแก่สาวกทั้งหลายสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ล่วงละเมิดศึกขาบทที่บัญญัติไว้นั้นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตถ้าสาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นพระวินยัยจะยอมแม้กระทั่งด้วยชีวิตเหมงอนกันยอมตายเพราะฉะนั้นพวกเราจะทําอิทธิปาฏิหาริย์จึงพากันเป็นหมวดหมู่ทำโกลาหนอยู่ในที่นั้นนั้น ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้สดับเสียงนั้นแล้วก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไหว้แล้วประทับนั่งนะส่วนสุดข้างหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณพระองค์ตรัสรู้ได้เจ็ดพรรษาพระราชาพิมพิสารก็ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเรียรธิปลร้องว่าจะกระทำอิทธิ ป, ปาฏิหาริ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบาพิษแม้อัตมาภาพก็จะทำ พระราชาก็ตรัสถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติศิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายไว้แล้วมิใช่หรือพระเจ้าค่ะเรื่องการแสดงฤทธิ์ะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบาพิษอาตมาภาพจะถามเฉพาะพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงตั้งศินไหมสําหรับผู้กินผลมะม่วงเป็นต้นในอุทยานของพระองค์ว่าศินไหมมีประมาณเท่านี้แม้สําหรับพระองค์ก็ทรงตั้งรวมเข้าไว้ด้วยหรือในส่วนนี้ถ้าหากว่าใครมากินนะปรับ ถ้าพระองค์เสวยเนี่ยถูกปรับด้วยไหมพระราชาทูลว่าไม่มีศินไหมสําหรับฆ่าพระองค์พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นมหาบพิษสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วย่อมไม่มีสําหรับอาตมาภาคพระราชาตรัสถามว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทที่ปาฏิหารจกมีที่ไหนพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าที่โคนต้นคันดามะพฤกใกล้เมืองสาบถีมหาบพิษพระราชาตรัสว่าดีละ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายจักคอยดูปาฏิหารินั้นลําดับนั้นพวกเดรัทธีได้ฟังว่านัยยะว่าปาฏิหารจากมีที่โคนต้นคันดามะพรกจึงได้สั่งให้ตัดต้นมะม่วงรอบๆบพระนครชาวพระนครทั้งหลายจึงพากันผูกมัดเตียงซ้อนๆกั น, นและหอคอยเป็นต้นในสถานที่อันเป็นลานใหญ่ชาวชมพูทวีปเป็นกลุ่มๆได้ยืนแผ่ขยายไปตลอดสิบสยอดเฉพาะในทิศตะวันออก แม้ในที่ที่เหลือก็ประชุมกันอยู่โดยอาการอันสมควรแก่สถานที่นั้นก็บอกว่าที่ตรงนี้ที่ประชาชนเนี่ยมามาอยู่มากแล้วก็เป็นที่ที่พระ อ, องค์แสดงธรรมและบรรลุมากมายมหาศาลฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อการเวลาถึงเข้าแล้วในวันเพ็ญเดือนแปดก็ทรงทํากิจที่ควรทําให้เสร็จแต่เช้าตรูเสดไปยังที่นั้นแล้วประทับนั่งอยู่แล้วขณะนั้นนายคนเฝ้าอุทยานชื่อว่านายคันดะ เห็นมะม่วงสุกดีในรังมดแดงจึงคิดว่าถ้าเราจะถวายมะม่วงนี้แก่พระราชาก็จะได้ทรัพย์อันเป็นสาระมีกหาปณะเป็นต้นถ้าเอาไปให้ในหลวงนะเป็นเป็นมะม่วงที่ผิดฤดูกาลใช่ไหมให้ในหลวงก็คงจะได้หลายหลายกะหาปณะเลยอ่ะเรียกว่าหลายบาทเลยแต่เมื่อน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าก็จะเกิดมีตัมมาสกตานี้เกิดขึ้นปั๊บถ้าถวายพระพุทธเจ้านะผลเนี่ยจะต่างกันมาก ถ้าถวายในหลวงปั๊บจะได้ค่าจ้างก็สองสร้อยบาทหรือพันสองพันอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยสมบัติในโลกนี้โลกหน่าจะไปไหนคล้ายๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมชัดเจนเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอัครทักษิณยะบุคคลของโลกก็บอกว่าเอาพระโซดาบันเนี่ยมานั่งเลยครึ่งจั ก, กรวาลแล้วทําบุญกับพระพุทธเจ้าองค์เดียว โดยปาฏิบุตคเลธิการนะพระพุทธเจ้าองค์เดียวได้ผลมากกว่าเรียงพระโสดาบันในครึ่งโลกครึ่งจักรวาลด้วยซ้ำไปห่างกันมากกว่านั้นเลยคั้นคิดดังนี้แล้วจึงน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับมะม่วงนั้นแล้วก็ดำรับสั่งพระอานนท์เทระว่าเธอจงคั้นผลมะม่วงทําให้เป็นน้ําปานะน้ำปานะแปลน้ําดื่มนั่นแหละก็คือไปทําเป็นน้ําดื่มซะ พระเถระก็ได้กระทําตามพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดื่มน้ําผลมะม่วงแล้วประทานเม็ดมะม่วงแก่คนเฝ้าอุทยานและตรัสว่าจงพาเพาะเมล็ดมะม่วงนี้นายอุทยานบาลจึงคุยสายแล้วก็พเพาะเมล็ดมะม่วงนั้นพระอานุเถระก็เอาคนโทตักน้ํนารดขณะนั้นหน่อมะม่วงก็งอกขึ้นมาเมื่อมหาชนเห็นอยู่นั่นแหละก็ปรากฏเต็มไปด้วยกิ่งคาคบดอกผลใบอ่อน ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นก็เคี้ยวกินผลมะม่วงที่หล่นลงมาไม่อาจให้หมดสิ้นได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตรัตนะจงกรมบนยอดมหาเมรุในจักรวาล น, นี้จากจักรวาลทิ่ตะวันออกจนกระทั่งถึงจักรวาลทิ่ตะวันตกเมื่อจะทรงยังบริษัทมิใช่น้อยให้บรรลือสีหานาจจึงทรงกระทาอิทิกระทามหาอิทิปาติหารโดยนัยดังกล่าวแล้วในอตตกถาธรรมบท อันถ้าหากว่าผู้ใดอยากจะอ่านเรื่องยมกปาฏิหารไปดูได้ในเล่มเล่มหกสิบแปดนะฉบับเก้าสิเ็ดเล่มเล่มหกสิบแปดอยู่ในยะมะกะปาฏิหารยานในยานเจ็ดสิบสามในในหมวดว่าด้วยยานในเล่มหกสิบแปดตรงนั้นเนี่ยจะกล่าวถึงยมกปาฏิหารซึ่งปาฏิหารแบบนี้พระผู้มีพระภาคแสดงได้พระองค์เดียวไม่มีสาวกอื่นๆแสดงได้ก็คือท่อน้ํากับท่อไฟเนี่ยไหลออกมาจากตา ไหลสลับกันจากตาจากหูจากคุ้มขนจากกายเบื้องบนเบื้องตักเรียกว่าตรสัสรี้นี่วิจิตพิสดารในขณะที่แสดงอิทธิฤทธิ์อยู่นั้นเนรมิตรพระพุทธเจ้าขึ้นอีกองคหนึ่งแล้วก็แสดงธรรมสนทนาธรรมองค์นี้ถามองค์นั้นตอบองค์นั้นถามองค์นี้ตอบถ้าหากว่ารายละเอียดเกี่ยวกับคําถามคําตอบก็คือในในคัมพี์นิเทศในคำพีร์มหานิเทศจะมีกลา่าวว่าพระพุทธเนรมิตรตรัสถามว่า องค์ตอบว่านั่นแหะก็คือจากเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยก็พระธรรมนั้นอ่ะมีรายละเอียดลึกซึ้งมากลึกซึ้งจนว่าทีแรกๆเลยนะอ่านก็ยังไม่เข้าใจเลยเขาท่านพูดอะไร <c oughs> อ่อานนี้นยังเข้าใจยากเลยยอมรับว่าในสูตรนั้นลึกซึ้งมากนะขนาดอ่านยังเข้าใจยากเลยว่าจะกลับไปอ่านใหม่อยู่เหมือนกันยังไม่ได้อ่านอีกเลยเพราะนนเนื้อหาค่อนข้างลึกซึ้งมากระหว่างพระพุทธเนรมิตรถามพระพุทธเจ้าองค์จริง ทีนี้ในเวลาเสร็จปาฏิหารก็เสด็จขึ้อนยังพิภพดาวดึงโดยพุทธจิรยาที่พระพุทธเจ้าในปางก่อนทรงประพฤติแล้วทรงจำพรรษาในภพดาวดึงนั้นทรงแสดงพระพิธรรมติดต่อกันตลอดสามเดือนทรงทำเทวดามิใช่น้อยมีพระพุทธมารดาเป็นประธานให้บรรลุพระโสดาปัติมักออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากเทวโลกอันมูเทวดาและพร ม, มิใช่น้อยห้อมล้อม เสด็จลงยังประตูเมืองสังกัสร์ได้ทรงทําการอนุเคราะห์ชาวโลกแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีลาบสการะท่วมท้นท่ามกลางชมพูชวิตประดุดแม่น้ำห้าสายมีแม่น้ํำคงคาจิรวดียมุนาสรภูและแม่น้ํามหีเป็นต้นคือลาบสการะเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านะก็บอกว่าเกวียนเนี่ยมาต่อๆ่ออออกันเนี่ยเป็นหลายๆกิโลเมตรอะ คือมาจอดเมื่อไหรจะได้มีโอกาสทําบุญกับพระพุทธเจ้าสักทีหนึ่งกันนะบางคนเนี่ยโหเดินทางมาตั้งหลายหลาเดือนอ่ะ น, นะเป็นพันๆกิโลเมตรอ่ะไปเพื่อที่จะถวายทานก็เข้าคิวยังไม่ได้สักทีครั้งนั้นพวกเดรธีก็เสื่อมลาศการะเป็นทุกข์เสียใจคอตกนั่งก้มหน้าอยู่ถ้าเสื่อมลาศการะจะทํำยังไงดีไอ้ผู้ศาสนาก็ไม่นับถือนะยังนับถือศาสนาของตัวเองอยู่แต่ว่าลาศการะไม่เกิดนะถ้าเป็นเราเราจะทํำยังไง ถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐินะฟังอย่างนี้จะได้เจริญกรุณามากๆก่อนไงเพว่าในเวลานั้นอุบาสิกาของพวกเดรัจฐีเหล่านั้นชื่อว่านางจินจัสมาณวิกานางเอกมาแล้วถึงความเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยรูปฉมเห็นพวกเดรัจฐีเหล่านั้นนั่งอยู่อย่างนั้นจึงถามว่าท่านผู้เจริญเพราะเหฮไรท่านทั้งหลายจึงนั่งเป็นทุกข์เสียใจยอยู่อย่างนี้ ไปเห็นหน้าสำ ม, มาะของตัวเองนะอู้ยหน้าดำคข่ำเครียดกันแต่ละคนเนี่ยง้อยไปไหวก็เฉยนะเหมือนกับคนตายนั่งได้ไนะดนั่นแหละทีนี้เดียร์ีก็ตอบว่าน้องหญิงก็เพราะเหตุไรเล่าเธอจึงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยนางจินจะมานาวิกาก็ถามว่ามีเหตุอะไรหรือท่านผู้เจริญเดียร์ีกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่การที่พระสมณะโคโดมเนี่ยเกิดขึ้นมาพวกเราเสื่อมลาบสการะหมดชาวพระนครไม่สําคัญอะไรอะไรพวกเรานางจินจะมานาวิกาถามว่าในเรื่องนี้ดิฉันควรจะทำอย่างไรเดารถีตอบว่าเธอควรจะยังโทษมิใช่คุณให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคโดมเธอทำยังไงให้พระสมณะโคโดมเนี่ยเสียหายที่สุดเนี่ยเธอจงไปทาอย่างนั้นแหละทำยังไงดี บอกว่านางจีนจะมานวิการนั้นกล่าวว่าข้อนั้นไม่เป็นการหนักใจสําหรับดิฉันนะโอ้ปัญหาเล็กน้อยนะจะไปยากอะไรดังนี้แล้วก็ทําความอุตสาหะในการนั้นจึงไปยังพระเชตวันวิหารในเวลาวิการตกเย็นๆนี้เข้าวัดแล้แล้วก็อยู่ในสํานักของพวกเดรธีใช่ไหมก็คือไปที่วัดแวบให้คนมองเห็นมาเดินเข้าวัดเสร็จแล้วก็แอ บ, บๆออกมาแล้วก็ไปนอนที่วัดของของเดรธีก็คือวัดที่ตัวเองนับถือนะ ทีนี้ขั้นตอนเช้าเวลาที่ชนชาวนครถือของหอมเป็นต้นไปเพื่อจะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รีบมาแต่เช้าก่อนเลยเห็นคนเข้าไปปั๊บออกมาพอดีทำทีเหมือนออกจากพระเชตวันวิหารถูกถามว่านอนที่ไหนจึงกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยที่ที่เรานอนแก่พวกท่านดังนี้แล้วก็หลีกไปโอ้ยถามทาไมาถึงที่นอ น, นอเนาะเมื่อถึงเวลาดำเนินไปแล้วโดยลาดับ นางถูกถามแล้วก็กล่าวว่าคือวันเวลามันหลายเดือนเต็มทีแล้วนะเราบอกว่าเรานอนในกุฏิในพระคันธกุฏิเดียวกับพระสัมมาโคโดมแล้วก็ออกมาเพิ่งไปนอนกับพระพุทธเจ้ามาแบบนั้นพวกปุตุชนผู้เขาก็เชื่อพวกไม่เคยมีข้อมูลอะไรก็เชื่อสนิทบัณฑิตทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นไม่เชื่อขนาดกับพระพุทธเจ้านะเรื่องก็ปันป่วนเลยนะวันหนึ่งนางก็ผูกท่อนไม้กลมมาไว้ที่ท้องแล้วก็นุ่งผ้าแดงทับไว้ แล้วก็กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากล่าวกับพระพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งเพื่อแสดงธรรมแก่บริษัทพร้อมทั้งพระราชาขณะกําลังพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมนะัพระราชาเนี่ยคนเนี่ยเต็มไปหมดนางก็เลยกล่าวว่าพระสมณะผู้เจริญท่านนี่ก็มัวแต่แสดงธรรมไม่จัดแจงกระเทียมและพริกเป็นต้นเพื่อเราผู้มีครันทารกที่เกิดเพราะอาศัยท่านเนี่ยเด็กก็จะคลอดวันสองวันก็มัวแต่เทศอยู่นั่นแหละ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าดูก่อนน้องหญิงท่านกับเราเท่านั้นย่อมรู้ภาวะอันจริงแท้เรื่องนี้เรารู้กันสองคนนางจินจะมมาวิกาก็เลยกล่าวว่าอย่างนั้นทีเดียวเรากับท่านสองคนเท่านั้นย่อมรู้คราวที่เกี่ยวข้องกันด้วยเมถุนคนอื่นก็ย่อมไม่รู้โอ้ยใครจะไปรู้ด้วยเนาะเรื่องอย่างนี้ขณะนั้นบรรดุกำพลศิลาอาดของเท้าส ก, ก, กัก็แสดงอาการร้อน เท้าสาการำพึงอยู่ทรงรู้เหตุนั้นจึงตรัสสั่งเทพบุตรสององว่าบรรดาท่านทั้งสององค์หนึ่งเนรมิตรเทศเป็นหนูไปกัดเครื่องผูกท่อนไม้กลมของนางให้ขัดอีกคนหนึ่งก็ทำมนทนแห่งลมให้ตั้งขึ้นพัดผ้าที่นางห่มเนี่ยให้เวริรกขึ้นข้างบนคล้ายๆกับลมเป่าขึ้นอะ่ะเทพบุตรทั้งสองคนนั้นก็กระทำอย่างนั้นท่อนไม้ที่กลมนั้นก็ตกมาทำลายหลังเท้าของนางเนี่ยแตกท่อนไม้แตกก็ตกใส่เท้าแตกเลย ผู้ตุโชนทั้งหลายผู้ประชุมกันอยู่ในโรงธรรมสภาทั้งหมดก็พากันกล่าวว่าเฮ้ยนางโจรร้ายเจ้าได้ทําการกล่าวหาความเห็นป่านี้แก่พระพุทธเจ้าของโลกทั้งสามผู้เห็นป่านี้แล้วต่างลุกขึ้นทํายังไงดีลงประชา ร, รัฐเลยอะกาปั้นคนลทีสองทีก็ไปตุบตับ ต, ตุบตับนำออกจากที่ประชุมเมื่อนางล่วงพ้นจากทัศนะคือการเห็นของพระพุทธเจ้าเพราะ พ้นตาพระพุทธเจ้าปั๊บแผ่นดินก็ให้ช่องเป็นดินแยกเลยขณะนั้นเปลวไฟาจากอาวเวจีนรกก็ตั้งขึ้นหุ้มหอนางเหมือนหุ้มห่อด้วยผ้ากำพลแดงที่ตระกูลให้แล้วก็ซัดลงไปในอาวเวจีนรกอันคนที่ตกนรกที่แผ่นดินแยกเนี่ยนะคนหนึ่งคือนางจินจามานวิกาสองหลวงพ่อเทวทัตอีกคนหนึ่งเนาะแล้วก็นันทามานนบ่ะคนหนึ่งที่ไปขม่มขืนนางอุบลวรรณเทรี แล้วก็พระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะก็คือพ่อตาของเจ้าชายสิทธัตถะเพราะพุทธเจ้าไม่มีเมเหตีหแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนันทยักษ์นันทยักษ์นัน้นวันหนึ่งนะภาษารีบด์เนี่ยเป็นวันอุโบสถปลงผมใหม่ๆเลยนั่งเข้าสมาบัติกลางแจ้งหัวหนังเลอันนี้นันทยักษ์เนี่ยเหาะผ่านมากะยักษ์อีกเพื่อนหนึ่ง <IS AS> ก็บอกว่าโอ้นั่นสนามณะวะงั้นฉันจะหวดด้วยแบกตะบองมาด้วยเหาะมานะ จะหวัวพราแล้วฉันจะตีหัวพระเออยาเพื่อนเนะห้ามไม่ทันก็หัวกันไปปัป๊บหนึ่งเข้าเลยเขาบอกว่าถ้าตีภูเขาธรรมดาเนี่ยจะยุบลงไปทั้งลูกเลยแต่ว่าท่านก็คล้ายๆกับมีอะไรมากัดศีรษะท่านหน่อยเพราะกําลังแห่งสมาบัตรรองรับไหมถ้าคนธรรมดาก็จุติไปเลยเก็บอกว่าพอนั่นน่ะความร้อนเนี่ยก็เกิดขึ้นตกลงมายัางแผ่นดินปั๊บแผ่นดินก็แยกก็ไปเอาเวจีเหมือนกันทั้งสียอยู่ใกล้ๆกัน น, น, นะเนาะไม่เหงาแล้วไปทั้งหลายคนเลยอะ่ะ ที่ที่ร้อนรนเนี่ยเป็นทิฏฐธรรมชาวนะดวงที่เจ็ดก็เป็นอุปชาและก็ปฏิสนธิในเวจีเลยเพราะฉะนั้นนางก็เหมือนกันก็ตกในเวจีมหานรกเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้ามีลาบสการะอย่างล้นเหลือด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงครอบงำสิ่งทั้งปวงมีสาวกชื่อว่านันทะ เรากล่าวตู่ภาษาวกชื่อนันทะนั้นจึงได้ท่องเที่ยวไปในนรกสินกน้นกาลนานเหตก็คือไปกล่าวตู่ไว้ว่าคนนี้เนี่ยมีเมียนะก็กรรมอนั้นแล้วก็ซัดมาเราท่องเที่ยวไปในนรกตลอดกาลนานถึงหมื่นปีใส่ความอันนี้นะตกหมื่นปีเองอะนะก็ได้ถึงความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้รับการกล่าวตู่มากมายแสดงว่ากรรมประเภทนี้ให้ผลมาแล้วหลายครั้ง เพราะกรรมที่เหลือนั้นนางจินจะมานวิกาได้กล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่เป็นจริงต่อหน้าหมูชนว่าเอาพระพุทธเจ้ามาประจานต่อหน้ามหาชนเลแต่ก็พระองค์ก็รับกรรมเก่าใช่ไหมยุติธรรมไหมเจตนาในอดีตนี่ก็ให้ผลสมควรแก่กรรมแล้วนางจินจะมานวิกาก็ทำเหตุใหม่ก็ยุติธรรมเหมือนกันแล้วเราถ้าเราไปคิดแช่งนางจินจะมานวิก า, กานะกุศลเนื่อกุศล มีโทษหรือไม่มีโทษมัน <c oughs> อย่าไปคิดต่อนะเจริญกรุณาเยอะๆส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเขาเป็นอกุศลป้าวเราจะยินดีใช่ไหมยินดีในคนรับอกุศลไม่บาปมันส่วนใหญ่ไม่ดีอันเราก็ต้องศึกษาไว้คนทําชั่วมากๆอกุศลกรรมให้ผลปุ๊บก็ เ, เจริญต้องเจริญกรุณาเขา <c oughs> ถ้าหากว่าอากุศลกรรมให้ผลแล้วเนี่ยมันก็น้ําตานองหน้าอย่างนั้นแหละ นี่ถ้าหากว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะถูกคนมาฉีกหน้าขนาดนั้นจะเป็นยังไงนะใช่ไหมอิกกรรมหนึ่งนะการกล่าวยิ่งคือการด่าชื่อว่าอับ พ, พักขานนะแสดงว่าพระพุทธเจ้านะสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตนี้ปากก็ไม่บอลเหมือนกันได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในกําเนิดที่ไม่ปรากฏชื่อเสียงเป็นนักเลงชื่อว่ามุมนาลินี่ก็ น, นักเลงหน้าดูเหมนกนนะ เพราะกำลังแรงที่คลุกคลีกับคนชั่วจึงได้ด่าพระประเจกับพุทธเจ้านามว่าสุรพิว่าภิกษุนี้ทูศีลมีธรรมะอันลามุกองนี้ไม่มีศีลหรอกเพราะว่าจีกรรมอันเป็นอกุศลนั้นพระโพธิสัตว์นั้นไม่อยู่ในนรกหลายพันปีพูดไม่กี่คำนะแต่ก็ใช้ใช้ด้วยชีวิตเป็นพันๆปีเอง น, นะในอัตภาพครั้งสุดท้ายนี้เกิดเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยกําลังแห่งความสําเร็จบา ร, รมีสิบเป็นผู้ถึงลาบอันเลิศและยศอันเลิศที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ด้วยกุศลนะด้วยบา ร, รมีสิบที่พระองค์สั่งสมมาก็ทําให้พระองค์สําเร็จถึงความเป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พวกเดียร์ถีก็กลับเกิดความอุตสาหะขึ้นอีกว่าก็เลยพากันขบคิดกันว่าพวกเราเนี่ยจักอย่างโทษมิใช่ยศให้เกิดแก่พระสมณะโคดมได้อย่างไรเนาะ ก็นั่งเป็นทุกข์เสียใจอีกะนะรวมตัวกันปรึกษาหาจะหาเรื่องอ่ะนะวางแผนจะทำหลายพระพุทธเจ้าเอ๊จะทํากันยังไงอยู่เนาะทีนี้ครั้งนั้นปริภาชิกาผู้หนึ่งชื่อว่านางสุนทรีก็เข้าไปหาเดียรถีเหล่านั้นไหว้แล้วยืนอยู่เห็นเดียรถีทั้งหลายพากันนิ่งไม่พูดอะไรนางปริภาชิกาเข้าไปถึงก็ไปไหว้นะไหว้แล้วก็พวกนักบวชเขาก็ไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งก็เลยถามว่าดิฉันมีโทษอะไรหรือ พวกเดรธีก็กล่าวว่าพวกเราถูกพระสมณะโคดมเบียดเบียนอยู่แต่ท่านกลับมีความขวนขวายน้อยข้อนี้เป็นโทษของท่านคือโทษเพราะท่านเฉยอ่ะพวกเรากำลังมีปัญหามีเรื่องมีเราไม่สนใจเลยอ่ะนางสุนทรีก็กล่าวว่าเออเมื่อเป็นอย่างนั้นดิฉันจะทำอย่างไรในข้อนั้นเดรธีทั้งหลายก็กล่าวว่าท่านจะอาจหรือที่จะทำโทษมิใช่คุณให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดม หาเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาเสริมเสียได้ไหมนางสุนทรีก็กล่าวว่าอาสิพระผู้เป็นเจ้าครั้งนั้นก็กล่าวอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาก็กล่าวแก่คนพวกที่ได้พบเห็นว่าตนเนี่ยไปนอนที่พระคันตกุฏีเดียวกันกับพระสมณะโคดมแล้วก็ออกมานี่แหละนะก็คือนางเนี่ยก็ป่วนเปี้ยนไปวัดไลยตกตอนเย็นคนกลับนางก็เข้าวัดเสร็จแล้วก็แอบออกทางอื่นตอนคนเข้าวัดนางก็ออกมาจากวัดพอดีก็ทําอยู่อย่างนี้หลายวัน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 ทีนี้ทํายังไงอ่ะหายไปก็ไปแจ้งเรื่องกับพระราชาว่านางศูนท์ทะเนี่ยหายไปก็เลยพระราชาก็ใช้ให้คนเนี่ยประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่เห็นทีนี้ก็บอกว่าสงสัยไปหายอยู่แถววัดอะ่ะไปดูสิก็ไปค้นดูในวัดก็หาไม่เจอเดียร์ทีก็บอกเดี๋ยวพวกเราไปค้นกันเองไปก็ไปเดิงเอาศพเนี่ยออกมาจากกองดอกไม้เสร็จแล้วก็ไปกล่าวใส่ร้ายเลยว่าด่าใหญ่เลยนะว่าสมณะโคดมเนี่ยสมสู่แล้วยังไม่พอใช่ไหม ยังฆ่าทิ้งอีกเหมือนกันใจดำอมหิตหน้าดูเลยเนี่ยข่าวอันนี้ก็ด่าพระพุทธเจ้าด่ า, าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยยันยกใหญ่เลยเพราะฉะนั้นโดยนัยะดังกล่าวมาแล้วก็ด่าบริพาทอยู่พวกฝ่ายเดียร์ีก็ด่าบริพาทอยู่ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเห็นกรรมของพระสมณะโคดมสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าในชาติอื่นในครั้งก่อน เราเป็นนักเลงชื่อว่ามูนาลิได้กล่าวตู่พระสุรพิปัจเจกพพุทธเจ้าผู้ไม่ประทุสร้ายเพราะวิบากของกรรมนั้นเราจึงท่องเที่ยวไปในนรกสิ้นกาลนานสเสวยทุกขเวทนาหลายพันปีมุสาวาทน่ะนะด้วยเศษกรรมที่เหลือนั้นในภพสุดท้ายเราจึงได้รับการกล่าวตู่เพราะเหตุแห่งนางสุนทรีเรื่องราวใหญ่โตพอมาถึงสมัยเราปั๊บก็ดูเล็กน้อยนะแต่ว่าในสมัยน้นจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยใหญ่มาก และอีกเรื่องที่สี่ก็คือการด่าการบริภาคโดยยิ่งคือโดยพิเศษชื่อว่าอับทักขานะพระองค์ก็ถูกด่าอีกเรื่องอื่นอีกยังมีประเภทที่ถูกด่ามีอีกว่าได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมากคนเป็นอันมากสการะบูชาได้บทเป็นดาบทมีรากเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหาร สอนมนแกพวกมานบจํานวนมากสําเร็จการอยู่ในตาหิมพ า, านต์ขณะไปบวชเป็นฤาษีใช่ไหมเป็นฤาษีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเต้นไปหมดทีนี้วันหนึ่งก็มีดาบวรูปหนึ่งได้ภิญญาห้าสมาบัตแปดมายังสํานักของพระโพธิสัตว์คนได้ชาได้ฤทธิ์เนี่ยมันก็น่าเลื่อมสใสน่าเกรงขามากพระโพธิสัตว์พอเห็นพระดาบดนั้นเท่านั้นก็ถูกความริษยาครอบงำํำมันยังลูกศิษย์เราหรือเปล่าเนี่ย ได้ด่าว่าพระฤาษีผู้ไม่ประทุสร้ายนั้นว่าฤาษีนี้หลอกลวงบริโภคกามแล้วก็บอกกัพวกลูกศิษย์ของตนว่าฤาษีนี้เป็นผู้ไม่มีอาจาระเห็นปน่านี้ฝ่ายศิษย์เหล่านั้นก็พากันด่าบริภารอย่างนั้นเหมือนกันเป็นหัวหน้าพาลูกศิษย์ห้าร้ยคนเนี่ยดา่าฤาษีเนี่ยไม่มีฟินนะบริโภคกามเหมือนกันด้วยวิบากแห่งอกุศลกรรมนั้นพระโพธิสัตว์นั้นจึงได้เสวยทุกข์ในนรกอยู่พันปี ในอัตภาพหลังสุดท้ายได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้เลิอก ด, ด้วยลาบและยศปรากฏประดุจพระจันเพนในอากาศฉชนั้นจิงก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะกุศลกรรมที่ดีๆก็ให้ผลอย่างเต็มที่แม้ด้วยการด่าว่าอย่างนั้นพวกเดรธีก็ยังไม่พอใจจึงทำให้นางสุนทรีทำการด่าอีกก็เรียกพวกนักเลงสุรามมาให้ค่าจ้างแลวสั่งว่า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 โทษของพระผู้มีพระภาคเจ้าและที่สุส่์ในพระนครทั้งสิ้นว่าท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายจงเห็นการกระทําของพระสมณะโคโดมและของพวกสาวกแล้วก็วางนางสุนทรีไว้บนแคร่ไปในป่าช้าพีดิกพระราชารับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงค้นหาคนฆ่านางสุนทรีครั้งนั้นพวกนักเลงสุราพอดื่มเหล้าเสร็จแล้วก็ทะเลาะ ก, กันว่าเจ้าฆ่านางสุนทรีเจ้าฆ่าก็าคือทุบกันว่า เองหลเป็นคนฆ้าเล่าเข้าคอเข้านักเลงก็เผยความในใจออกมาหมดราชบรุษทั้งหลายก็จับพวกนักเลงเหล่านั้นแสดงแก่พระราชาพระราชาตรัสถามว่าแน่พ น, นายพวกเจ้าข้านางสุนทรีหรือนักเลงเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าแต่สมมุติเทพพระราชาสั่งถามว่าพวกใครสัง่งนักเลงทูลว่าพวกเดรธีสั่งพระพุทธเจ้าข้าพระราชาจึงให้ นำพวกเดรัจฉีมาแล้วให้จองจําพันธนาการและรับสั่งว่าพนะยพวกเจ้าจงไปเปล่าร้องว่าเราทั้งหลายได้ฆ่านางสนทรีเองและให้แก้ขา่าวจับมัดให้ไปแก้ขา่าวโดยความจะให้เป็นโทษแก่พระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกทั้งหลายพระองค์ไม่ได้พูดไม่ได้เป็นผู้กระทําพวกเดรัจฉีก็ได้กระทําอย่างนั้นแล้วชาวพระนครทั้งสิ้นต่างเป็นผู้หมดสงสัย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 พระฤาษีผู้กล้าสำเร็จอภิญญาห้ามีริษ ม, มากมาในที่นี้นั้นและเราได้เห็นพระฤาษีนั้นมาแล้วได้กล่าวตู่ท่านผู้ไม่ประทุสร้ายแต่นั้นเราได้บอกกสิต ท, ทั้งหลายว่าผู้นี้เป็นผู้บริโภคกรรมแม้เมื่อเราบอกอยู่มานพทั้งหลายก็พลอยยินดีตามแต่นั้นมานพทุกคนเที่ยวพิขาในทุกๆตระกูลก็บอกกล่าวแก่มหาชนว่าฤาษีนี้บริโภคกรรม เห็นเขามีฤทธิ์มีเดชมากอริสยานะหาเรื่องใส่ร้ายเขาเพราะวิบากของกรรมนั้นที่สู่ห้าร้อยรูปนี้จึงได้รับการกล่าวตูด้วยกันทั้งหมดเพราะเหตุแห่งนางสุนทรีกรว่าเรื่องนี้ไปจนถึงลูกศิษย์ด้วยนะการใช้วาจาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะศึกษาให้ดีกันแล้วกันบุญบาปไปอยู่แถวนั้นนะันพระองค์จึงสอนว่าการสำรวมวาจาเนี่ยเป็นความดีสำรวมวาจานี้สำรวมด้วยอะไรบ้าง สำรวมอาจารย์สำรวมด้วยหนึ่งศีลสังวรสำรวมที่ศีลนะแค่หุบ ป, ปากแค่เฉยมันไม่ได้แปลว่าสำรวมแล้วนะสำรวมก็คือด้วยหนึ่งนะด้วยศีลสังวรสำรวมด้วยสติสังวรสำรวมด้วยญาณสังวรสำรวมด้วยขันติสังวรสัมรวมด้วยวิริยะสังวรใช่ไหมไม่มีอะไรพูดก็ท่องพระสูตรเถอะท่องยากหน่อยก็พูดท่องพระสูตรไป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 เจตนาของเราที่เป็นไปแต่ละวันแต่ละวันนี่แหละอีกเรื่องหนึ่งนะว่าศีลาเวโทในแก่ผู้มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งกลิ่งศีลาทับ พ, พระพุทธเจ้านี้พระเทวทัตเนี่ยนะอดีตที่เคยอะ่ะโกรธมากกลิ่งหินทัพเลยอะ่ะมีเรื่องอยู่ว่าในอดีตชาติในอดีตการพระโพธิศัตว์และน้องชายเป็นลูกพ่อเดียวกันเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้ว พี่น้องทั้งสองนั้นก็ทําการทะเลาะกันเพราะอาศัยพวกธาตุก็คือธาตุเนี่ยแย่ใช่ไหมธาตุฝ่ายนี้เรียกว่าเป็นลูกเศรษฐีทีนี้ก็มีลูกน้องเยอะลูกน้องก็แย่กันอะ่ะทีนี้เรื่องมันก็เลยลุกลามใหญ่โตมาจนถึงพี่กับน้องพี่น้องก็เลยทะเลาะกันจริงลูกพ่อเดียวกันนั่นแหละก็เลยคิดร้ายแก่กันแล้กันพระโพธิสัตว์ก็กดทับน้องชายเอาไว้ด้วยด้วยความที่ตนเป็นผู้มีกําลังอะนะพี่ต้องชนะอีกแลนะ้ว อดน้องชายเนี่ยทับแล้วก็กลิ้งหินทับลงเอาหินก้อนโตๆเนี่ยมาทับลงบนน้องน้องชายนั้นเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นก็แปลว่าฆ่าน้องชายนั่นแหละพระพุทธศาสนั้นได้เสวยทุกในนรกเป็นต้นหลายพันปีในอัตภาพหลังสุดนี้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตผู้เป็นขรมาตุลาของพระราหุลกุมารพระราหุลมีลุงใช่ไหม มีลุงคือพระเทวทัตมาตุลาก็คือลุงพระเทวทัตเนี่ยเป็นลุงของพระราหุลในชาติก่อนก็ได้เป็นพ่อค้ากับพระโพ ธ, ธิสัตว์ในครั้งนั้นเป็นพ่อค้าชื่อว่าเซริภานิษพ่อค้าทั้งสองนั้นไปถึงปัตตนะคามอันตั้งอยู่ใกล้ท่าแห่งหนึ่งจึงตกลงกันว่าท่านจงถือเอาถนนสายหนึ่งแม้เราก็จะถือเอาถนนสายหนึ่งแล้วทั้งสองคนก็เข้าไปใกล้บ้านสองซอยนะ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 จงให้เครื่องประดับกัดฉาปุตะแก่หลานสาวของข้าพเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นก็จับภาชนะนั้นก็รู้ว่าเป็นภาชนะทองและรู้ว่านางถูกพระเทวทัตนั้นลวงนะรู้ว่าพอค้านั้นอ่ะลวงแล้วต้องการจะมาเอาแบบทุกๆอกะจึงเก็บแปดกหาปณ ะ, ะเอาไว้ในถุงเพื่อตนและให้สินค้าที่เหลือให้เครื่องประดับชื่อว่ากัดฉประตุที่มือของนางกุมาริกาแล้วก็ไป ฝ่ายพ่อค้าอีกคนหนึ่งก็หัวนกลับมาถามอีกภรรยาเศรษฐีนั้นก็กล่าววันนี้เน่พ่อท่านไม่เอาบุตรของเราได้ให้สิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็ถือเอาถาดใบนั้นไปเสียแลว้วพ่อค้านั้นพอได้ฟังอย่างนั้นก็มีหั่ไถเหมือนจะแตกออกไปแขนมากเลยนะเระฐีวัฒนเนี่ยพอฟังข่าวว่าเพื่อนเนี้ยแลกเอาไปแล้วเนี่ยเขามันหักหน้ากันจะทับเลยอะโกรธมากจึงวิ่งติดตามไปพระโพธิสัตว์นี้ก็ขึ้นเรือแล่นไปแล้วพ่อค้านั้นก็กล่าวว่ายุดอย่าหนีอย่าหนี แล้วก็ตั้งความปราถนาว่าเราพึงสามารถทําให้มันชิบหายในภพที่เกิดแล้วเกิดแล้วอาฆาตได้เลยนะใคร ว, ว่าเจ้าเวนแบบนั้นผูกเวนทันทีเลยตั้งจิตไว้ผิดเลยเนะีะเกิดชาติไหนขอให้มีโอกาสทําร้ายกับคนนี้ให้ได้ที่ดูนะพระเทวทัตทาร้ายพระโพธิสัตว์เนี่ยหลายชาติเมื่อวานอ่านเรื่องมหากปิชาดกมหากปิกปิแปลว่าลิงขณะพระโพธิสัตว์เนี่ยช่วยช่วยให้พ้นจากเหว พอพ้นเหวขึ้นมาก็เอาหินเนี่ยทุบหัวหลายเรื่องนะบางทีบางชาติเนี่ยเกิดเป็นลูกเกิดเป็นลูกก็สั่งให้ตัดเลยเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องเมตตาตอนนั้นจะเอาเรื่องของพระเทวทัตเนี่ยปรัตถุสลายพระโพธิสัตว์ไรอย่างด้วยกันอันก็มาจากแรงอธิษฐานอันนี้นั่นแหละคนอธิษฐานในแง่ดีก็ให้ผลดีนะถ้าอธิษฐานไว้อย่างไรตั้งจิตไว้อย่างไงก็จะเป็นไปอย่างนั้นแหละ ด้วยอำนาจความปรารถนาพ่อค้านั้นก็เบียดเบียนกันและกันหลายแสนชาติไม่จะชาติเดียวในอัตภาพนี้บังเกิดในสากยัตคูลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุสัพพันญุตยานแล้วประทับอยู่ในกรุงราชครึกโดยลำดับได้ไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเจ้าอนุรุทธะเป็นต้นแล้วก็บวชบวชแล้วก็เป็นผู้ได้ฌานปเทวทัตเนี่ยบวชไม่นา น, นะได้ฌาน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 ให้อยู่โคนไม้ให้บินธบัตเป็นวัดฉันไม่ให้ฉันปลาฉันเนื้ออย่างเงี้ย ใ, ให้สั่งออกมาเป็นพระวินัยบัญญัติมาเลยพระองค์ก็ไม่อนุญาตแล้วก็บอกว่าภิกษุสงฆ์ทั้งสิ้นจงเป็นภาระของข้าพระองค์ไปขอบริหารภิกษุสงฆ์เองพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็เลยผูกเวรจึงเสื่อมจับชานด้วยต้องการจัปลงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้วันหนึ่งก็ยืนอยู่เบื้องบน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 ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อชาติก่อนเราฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์เราเนี่ใส่ลงในซอกหินและบทขยี้ด้วยหินเอาน้องชายใส่ไปในเหลืบหินผลักหินเนี่ยกดทับน้องให้ตายไปเลยเพราะวิบากของกรรมนั้นพระเทวทัตจึงกลิ้งหินก้อนหินบทขยี้นิ้วหัวแม่เท้าของเราไปคิดนะอกุศลที่ทาไปมันจะไม่ให้ผล แต่มันให้ผลเนี่มันขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะยังมีคนตามตองล่างจองพลาอยู่นั่นแหละที่จริงถ้าพระองค์ไม่ทําอกุศลไว้นะพระเทวทัตถึงจะผูกเวรอย่างไรก็ทําลายพระองค์ไม่ได้แต่ทีนี้ว่าคนละกรรมกันใช่ไหมพระเทวทัตเป็นคู่เวรที่พระเทวทัตทําลายได้เพราะอาดีตชาติไปทําความชั่วอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ก็มาประจวบกันเข้าทเทวว่าคู่เวรมีอกุศลตัวเองก็มี ก็ประจบกันเข้าพอดีเลย